ไอ้ยักษ์ใหญ่อาจพบจุดอวสานของมันลงได้เพราะตลอดเวลาเขาไม่สามารถจะเล็งยิงส่วนสำคัญของมันได้ถนัดเลยนอกจากลูกในตาข้างซ้ายเท่านั้นมาดว่ากระสุนจับเป็นเส้นตรงเข้ากลางสมองโดยมม่แฉลบฉเฉยออกไปทางใดทางหนึ่งเสียประสาทส่วนของการใหญ่ที่สุดของมันก็ควรจะดับเขาช้าไปเสียแล้วกว่าจะวิ่งมาถึงปืนที่ตกอยู่ไอ้มหายักษ์ก็พรวดพลาดหายเข้าไปในดงนรก เป็นการไปอย่างรวดเร็ชนิดได้โอกาสผิดกับการค่อยๆเคลื่อนขนาดที่ยังกองต่างนานมากสแสดงให้เห็นชัดว่ากำลังของมันยังมีอยู่ไม่ใช่น้อยลูกปืนที่พวกพลาและลูกหาบช่วยการระดมศาสเข้าไปเป็นชุดสุดท้ายหยุดมันลงไม่ได้และไม่รู้ผลว่าเป็นเช่นไรสิ่งที่เห็นต่อมาก็คือยอดไม้ ด, ดงไหวเป็นคลื่นตามทิศทางการไปของมันเหมือนมีรถไฟทั้งขบวนเข้าไปวิ่ง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 ทุกคนเข้ามารวมกลุ่มพวกชาวบ้านก็ฮือกันออกมาจากบ้านท่ามกลางความตโนกอกสัน่นโกลาหลกันไปหมดเชษฐาสั่งให้สำรวจโดยเร็วแล้วเขาก็ถอนใจออกมาอย่างร่วงอกเมื่อปรากฏว่าไม่มีพวกลูกหาหรือชาวบ้านคนใดเป็นอันตรายเลยนอกจากเรือนหลังหนึ่งจะถูกหางของมันกวาดพังไปพวกที่ติดอยู่ในบ้านคลอดร้ายหลังนั้นเพี่ยงแต่เคล็ดขัดยอ่อเพราะตกเรือนบ้างเท่านั้นเลือดของพญา ง, งูยักษ์ยังคงปรากฏกองอยู่ให้เห็นปเปรอะไปหมดตลอดทั้งลานหมู่บ้าน มีแนวกระจัดกระจายวงกว้างในรัศมีร่วมร้อยหลาเท่าที่มันจะดิ้นรนฟาดฟาดตัวไปขณะที่โรมรันกับฝ่ายมนุษย์บางหย่อมเป็นกองหนาราวกับใครมาเชือดวัวไว้ทั้งตัวสภาพของรอยเลือดบอกชัดว่ามันได้รับบาดเจ็บชะกัรไปไม่น้อยทีเดียวแล้วเช่ยถากทั้งหมดก็เฝ้ารอคอยข่าวๆจากฝ่ายของรพินที่ยังเงียบหายไปอย่างไม่มีรกระตุกกระตาด้วยความกวลกวายใจเหลือที่จะกล่าว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 ก็ตูมลั่นตามขึ้นมาอีกนัดในระยะเวลาที่ห่างไม่นานเหนกันทั้งสองหันพุ่ดไปจ้องตา ก, กันด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวได้ถูกยังไม่ทันจะอ้าปากเอ่ยคําใดแก่กันออกมาทีนี้ก็ได้ยินเสียงตูมตูมตูมนับนัดไม่ถ้วนเอ็ดอึงประสานกันแท้ไปหมดแล้วกับเกิดมีการต่อสู้กันขึ้นขนานใหญ่เสียงปืนที่ระเบิดไม่เป็นซําเหล่านั้นดังไกลมาจากทางด้านหมู่บ้านไม่ใช่ฝ่ายชายยันหรือดาลิน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 พอระพินกับแง่ายผล่ย้อนกลับมาทั้งสมก็กระโจนออกจากที่กำบังสีหน้าของแต่ละคนบอกความโนกและงุนงงจนไม่อ่านปันญญาได้และแม้ทั้งสองฝ่ายจะมายืนหน้าตื่นเลือกๆลจ้องกันอยู่ในขณะนี้แล้วเสียงปึงทางด้านหมู่บ้านจะส ง, งบลงก็หาไม่มันคงตูมตามสนันวันไหวอยู่เช่นนั้นตะลุมบอลใหญ่แล้วชายาและล่ำลักออกมาให้เจ้าคอเถอะเดาไม่ถูกเลยว่าเกิดกจริยุกอะไรขึ้นกับพวกเราที่หมู่บ้านโน้น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 บางเหลี่ยมก้อนหินก่อนอยู่นิดเดียวเท่านั้นถ้าไม่มีเสียงปืนดังขึ้นเสียก่อนทําให้มันตกใจป่านนี้แงซ า, ายได้ยิงแล้วแน่ใจหรือว่าไอ้งูยักษ์ตัวนั้นกําลังจะโผล่ออกมาขณะที่คุณดักคอยอยู่กับแงซา ย, ายโดยมันไม่เปลี่ยนทิศทางอ้อมย้อนไปเดินงานพวกเราที่หมู่บ้านโดยปล่อยให้เราดักมันก็เก้ออยู่ทางนี้ชายยันถามแทบจะไม่หายใจแน่ใจที่สุดผมได้ยินแม้แต่เสียงที่มันเลื้อยใกล้เข้ามาห่างไม่ถึง60เมตรเท่านั้น ถ้าไม่ใช่เพราะก้อนหินใหญ่บางก็คงมองเห็นตัวแล้วแล้วถ้างาั้นมันเกิดอะไรขึ้นที่หมู่บ้านคราวนี้ชายยันเอ่ยมาเหมือนกระซิบจ้องหน้าเขาตาไม่กับพริบหน้าซีดนั่นนะสิครับมันเป็นปริศนาที่ทำให้ผมร้อนใจจนบอกไม่ถูกไปหมดแล้วผมสังหอนสินแล้วว่ามันจะเป็นอย่างที่คุณชา ย, ยันเคยสันนิษฐานให้ข้อคิดไว้คือไอ้งูยักษ์จะต้องมีอยู่ด้วยกันสองตัวเป็นคู่กัน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 เสียงปืนที่ดังแซ่สามราวกับประทัด ต, ตุจีนติดต่อกันอยู่ภักใหญ่ก็ซาสงบไปอีกครู่เดียวที่พากันเดินมาอย่างรีบรุ่ดใกล้จะถึงเขตหมู่บ้านต่างก็ได้ยินเสียงผู้จาเอะอึงคันึงแววมาจากหมู่บ้านนั้นฟังไม่ได้สับแต่สำเนียงที่ได้ยินเหล่านั้นพอจะสำเนียงได้ว่าเต็มไปด้วยความตื่นตนกตกใจเหลือที่จะกล่าวไม่ขี่อึดใจหลังจากนั้นทั้งห้าคนก็ตรงเข้ามาถึงต่างใจหายวับ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 ชายยันกับดารินพลอยขวัญหายไปด้วยคราวนี้เห็นมันชัดกับตาแล้วประโยคสุดท้ายหัวหน้าคณะพูดแถบๆกระเดืกน้ําลายลงคออย่างฝืดๆมองจับไปยังพรานใหญ่ผู้สงบนิ่งอยู่ผมกล้าพ น, นันว่ามันใหญ่กว่าไดาโนเสาร์เท่าที่เคยเห็นจากโครงกระดูกในพิพิธภัณฑ์ซีอีลูกปืนของเราดูเหมือนจะทําอะไรมันไม่ได้เลยทั้งๆที่ถูกไปนับไม่ถ้วนอย่างถนัดทั้งนั้นและพินงันไปคู่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 เชษฐาลืมตาโผรงสีหน้าดีขึ้นมองดูเขาตื่นตื่นใช่มันฟุบนิ่งไปพักใหญ่ตอนที่พวกเราระดมกันซันโวขณะที่มันยกหัวขึ้นจะคาบจันเพราะขาดเสียงปืนชุดนั้นหัวมันก็ซบดินนิ่งไปทีเดียวแต่ลงท้ายก็เห็นมันลากตัวไปได้ดูจะคล่องแคล่วรวดเร็ว ด, เว ด, ดีเสีย ด, ด้วยตอนที่เข้าเขตป่านั่นเห็นจะเป็นสัญชาตญาณห น, นีเอาตัวรอดครั้งสุดท้ายของมันแต่แบบนี้ไปไม่ได้ไกลนักหรอกครับ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 อยากจะไปด้วยก็เดินตามไม่ไหวต้องอยู่โยงทุกครั้งชายยันเข้ามาตบไหล่เพื่อนอย่างปลอบใจอยากใจร้อนเชษฐาอีกไม่นานแกก็คงหายเรียบร้อยและเป็นได้บุกบันเคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกเราแน่นอนสําหรับคราวนี้ก็นับว่าเป็นบุญอย่างยิ่งแล้วที่แกขาเจ็บเราอยู่โยงที่หมู่บ้านนี่ถ้าบังเอิญแกขาไม่เจ็บไปกับพวกเราด้วยไอ้ยักษ์นั่นโผล่มาทั้งนี้อย่างที่แล้วจะไม่มีใครแก้ไขสถานการณ์ได้มันคงเอาใครไปกินได้บ้างเป็นแน่ แต่นี่ทั้งๆที่เป็นคนพิการแกก็ยังฟาดฟันกับมันได้อย่างน่าดูจนกระทั่งมันเป็นฝ่ายเปิดอ้าวไปนับว่าแกสามารถเกินคนขาหักธรรมดามากนักรพินไม่ยอมเสียเวลาอีกเลยแม้แต่นาทีเดียวโบกมือเรียกบุญคำกับจันทรให้สมทบติดตามเพิ่มเติมไปอีกสองคนเพื่อสําหรับให้เป็นพรานคุ้มการช่ ย, ยันกับดารินในกรณีเขากับแงาสายต้องแยกไปเพียงสองคนตามแผนคงทิ้งให้เกิดกับเสิรอ์อยู่กับเชิฐถาเพราะแน่ใจว่า คงไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นทางด้านหมู่บ้านอีกแล้วทั้งหกคนสมทบด้วยขยีนอีกคนหนึ่งซึ่งขอติดตามไปด้วยตามเดิมรวมเป็นเจ็ก็พระจากหมู่บ้านติดตามรอยเจ้างูยักษ์ลบากตัวนั้นอย่างรีบเร่งโดยเระยะห่างกันเพียง15นาทีนับตั้งแต่เวลาที่มันพระหนีไปในครั้งนี้บุญคำทาหน้าที่แกะรอยนาไปเบื้องหน้าโดยเริ่มจากโดงด้านที่เห็นมันเลื้อยหายเข้าไปนั้น พายุฝนขณะนี้ซาสงบลงแล้วป่าเปียกชุ่มชื้นรอยไปของมันแลเห็นได้ถนัดชัดเจนเพราะเป็นทางราบลู่ไปในพุ่มไม้เาวกรรากับไข่รากท่อนสุงขนาดใหญ่ผ่านไปมีหนำซ้ำเลือดยังปรากฏติดอยู่ตามพื้นและกิ่งใบของต้นไม้เหมือนเทถังสีสะไว้เป็นหย่อมๆผิดกับรอยเลือดเพียงจางๆเมื่อครั้งที่ถูกยิงคลาวเอาควายไปกินมากนักบอกให้ทราบชัดว่า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 และไม่จำเป็นต้องคอยติดคิดระแวงระวังตัวเกินไปนักว่ามันจะรบซุ่มดักคอยอยู่ที่ใดทั้งนี้เพราะความใหญ่ตโตมโหฬารผิดกับสัตว์โลกทั้งหลายนั่นเองถึงอย่างไรก็ตามมนุษย์จะต้องเป็นฝ่ายเห็นมันได้ก่อนเสมอโดยการตามรอยเลื้อยของมันไปเช่นนี้เชื่อได้แน่ว่ามันไม่มีทางที่จะทำอุบายเร้นตัวคอยดักทาร้ายโดยไม่ให้ฝ่ายมนุษย์รู้ตัวร่วงหน้าได้เหมือนสัตว์ตํางอื่นๆอีกอีกประการหนึ่ง เจ้าสัตว์ดึกดำบรรยุคไดโนเสาร์ตนนี้ก็ไม่ใช่สัตว์ประเภทมีเล่เหลี่ยมเพทูบายอย่างไอ้กุดไอ้มหิงสาหรือว่าไอ้แหว่งดังนั้นความหวั่นเกรงว่าจะถูกเล่กลงจึงเป็นอันหมดปัญหาไปคงมีแต่อย่างเดียวเท่านั้นคือถ้าประจันหน้าพบเห็นกันเข้าเมื่อใดทําอย่างไรจึงจะสังหารมันได้อย่างฉับพลันเฉียบขาดก่อนที่ฝ่ายมนุษย์จะเพี้ยงพั้มขึ้นสําหรับสัตว์ที่ทารหดอดทนและตายยากเช่นนั้น รอยนั้นนำอ้อมคดเคี้ยวไปตามตีนเขาอันเอียงลาดประมาณ45องศาเป็นดงดิบไม้ใหญ่ยืนต้นสูงชะเง้มแผ่กิ่งก้านสาขาบังไว้ทึบชนิดที่แสงแดดแทบไม่มีโอกาสส่องผ่านลงมาได้อากาศอับชื้นและชวนให้กระคั่นตะค อ, อย่างไรพิกลหนทางเดินก็ยิ่งลำบากขึ้นเพราะพื้นเต็มไปด้วยใบไม้หล่นลงมาปกคลุมทับถมกันด้วยกาลเวลาอันเหลือที่จะคนานับได้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 ทางไปของเจ้างูยักษ์ยังบริเวณนี้และเป็นร่องประหนึ่งในเหลือชราแล่นไปบนบกยิ่งลึกเข้าไปการเดินก็ยิ่งลำบากขึ้นทุกขณะสองสาครั้งที่ชายยันก้าวเหยียบลงไปบนพื้นที่ปกคลุมไปด้วยใบยไม้หนาทึบนั้นแล้วก็เสียหลักถล่มวูบทำท่าจะจมมิดหายไปเหมือนตกกลุมอันซ่อนอยู่ข้างใต้แต่ระพินกับแงซา ย, ายผู้เดินเคียงอยู่ใกล้ๆช่วยกันหิ้วปีกรั้งไว้ได้บุญคาเองผู้นาไปเบื้องหน้า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 โอ้โหหุบหรือเหวอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างล่างตีนเหยียบลงไปไม่ถึงพื้นเลยมีแต่ใบไม้พรางตัวไว้ทั้งนั้นบุญคำร้องออกมาพร้อมกับสะบดพ ร, รมหน้าตาตื่นมองไปรอบด้านอย่างหวาดหวาดแล้วิ่นก็กระดิกนิ้วเรียกขยินผู้เดินอยู่ร้างท้ายขึ้นมาขยินเจ้าทำนานอยู่ในดงแบบนี้เหนือกว่าพวกเขาเพราะฉะนั้นเจ้าจงนาไปข้างหน้าขยินยิ้มร่าออกมาเป็นครั้งแรกยืดอกขึ้น ใช่แล้วไม่มีใครชำนาญป่าแถบนี้ไปกว่าขยินแต่ตาบุญคำถือว่ารู้ทางดีกว่าขยินออกนำมาขยินก็อยากจะดูเหมือนกันขยินอยากเห็นตะเ่าตกลงไปในบอ่อต่อหลุมถูกแทะหลือแตกกระดูกผ่านท่าเห็นเขาอึมคืมแยกเขียวคำลามออกมาอย่างหัวฟัดหัวเวียงโท่ไอชิบหายนี่ก็เองทำไมไม่นำมาเสียแต่แรกชี้ เดี๋ยวพักดกั็ิย์เปรียงให้เท่านั้นหน้อยแน่เสือกบอกจะได้ว่าอยากเห็นข้าต่อหลุมแทะเหลือแต่กระดูถึงเหลือแต่กระดูข้าก็เตะเองได้วะขยินทุกคนหัวเราะ ก, กันขึ้นได้เป็นครั้งแรกท่ามกลางบรรยากาศทีนเครียดหนักนั้นบุญขำข้อนหัวหน้าบ้านหลุมช้างป ร, รับปเปลือกทำปากบุบบิบอยู่เช่นนั้นขยินยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ไม่กล่าวเช่นไรลุยทะเลใบไม้แห้งสูบสวดนำไปเบื้องหน้าอย่างชํานาญทาง ทุกคนเดินตามรอยของขยินไปอย่างระมัดระวังไม่ให้มีใครกล้าแยกห่างไปทางอื่นนอกจากจะเข้าแถวเรียงเดียวจันลงมาอยู่รังท้ายปิดรังขบวนหัวหน้าบ้านหล่มช้างนำเดินขึ้นไปในระดับสูงเหนือรอยของงูยักษ์ที่ปรากฏเป็นทางอันบุญคำใช้เป็นร่องเดินตามนั้นขึ้นมาบางขณะก็ตัดลงมาเดินอยู่ในลาดับที่ต่ากว่าสลับกันไปมาอยู่เช่นนั้นพักใหญ่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 เห็นพื้นใบไม้ตรงนั้นกระจุยกระจายผิดไปกว่าทุกตอนราวกับว่าน้ำหนักตัวอันมากมายที่เลื้อยผ่านตอนนั้นทำให้มันจมมิดหายลงไปภายใต้รอยเลือดที่เริ่มจัดจางห่างไปนับแต่ได้เริ่มสาวรอยมาเป็นลำดับนั้นปรากฏกองอยู่มากมายตรงตำแหน่งนี้อีกครั้งแสดงว่ามันหยุดอยู่ขณะหนึ่งก่อนจะตัดสินใจเลื้อยลงไปทางนั้นขยินชี้มือลงไปบอกขึ้นรอยว่ามันลงไปทางนี้ บุญคำเอื้อมมือมาใสาหัวนายบ้านดมช้างพูดมาเสียงคุนๆไอ้เวนอย่าว่าแต่เองเลยวะลูกหมามันก็บอกได้เห็นรอยอยู่ทนโทษเจ้านักเรียชาวดอยยิงฟันยืดอกขึ้นอีกครั้งแต่ถ้าไม่มีขยินเป็นคนนำก็จะไม่มีใครตามมันลงไปได้มันมุดไปใต้ใบไม้แห้งแล้วไปโผล่ที่ขอบเหวตีนเขาลูกนู้นคนหรือสัตว์อื่นขืนมุดทะเลใบไม้ตอนนี้ก็ไม่ต้องโผล่ออีกแล้วหมายความว่ายังไง